ถ้าเจริญพอทุกท่านใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมถ้าไม่เคยฟังนะจะยากนิดนึงยากเพราะว่าไม่เคยฟังถ้าเคยแล้วมันก็ไม่ยากหรอกไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเราคุ้นเคยแลาก็ง่ายเป็นเรื่องสติถ้าเราคุ้นเคยที่จะมีสตินะสติก็เกิดง่าย คุณเคยใจคิดโมโหมันก็โมโหง่ายใจมันเป็นไปตามความเคยชินนี่พวกเราบางคนอาจจะไม่คุ้นกับการฟังหลวงพ่อเทศสดเรียกหลวงพ่อตัวเป็นๆนะภาษาเดี๋ยวนี้นะโอ้ยตามกันยากมากเลยร่วมพูดอะไรเวลาฟังหลวงพ่อตัวเป็นๆนะมี <laughs> เงื่อนไขยอย่างหนึ่งนะปิดเสียงโทรศรัพท์ซะ สอย่างสองอย่างปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็อย่ามาถ่ายรูปอย่ามาถ่ายวีดีโออย่ามายกมือถือถ่ายมันทำลายสมาธิของคนอื่นครับธรรมะของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าท่านให้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าธรรมะเนี่ยคือตัวแทนของพระาศาสดางั้นในเวลาฟังธรรมก็คือเวลาเข้าเฝ้าพระาศาสดา น, นั่นเองเป็นเวลาที่พวกเราต้องสํารวม ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องสำรวมเวลาพบพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคนต่างาศาสนาอาจจะมายืนด่าก็ได้ก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธเวลาของการฟังธรรมต้องฟังด้วยความเคารพไม่ต้องเคารพหลวงพ่อหรอกนะให้เคารพธรรมถ้าพวกเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกให้นะ เราจะพบความอัศจรรย์ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงๆสามารถเปลี่ยนคนดื่ด้านคนกิเลสหนาอะไรเนี้ยให้กลายเป็นคนที่มีกิเลสเบาบางเคยจมอยู่ในความทุกข์แสนสาหัสความทุกข์ก็จะน้อยลงน้อยลงเคยมีความทุกข์นานๆความทุกข์ก็จะสั้นลงสั้นลงถ้าเราฝึกได้ดีพอเนี้ยเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไป ความทุกข์อยอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นแต่ความทุกข์จะเข้าไม่ถึงใจอีกต่อไปนการจะศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็มีความยากลำบากว่าเราจะศึกษาธรรมะยังไงดีถึงจะเข้าใจได้หลวงพ่อก็พยายามศึกษามาตั้งแต่เด็กพยายามตอนเล็กๆ ก, ก็ไปหัดนั่งสมาธิจีบพระท่านั่งสมาธิได้ วันหนึ่งจเกิดปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานมันไม่เกิดหรอกทาสมาธิตั้ง22ปีได้อะไรได้ความสงบได้ของเล่นของจริงไม่ได้ไม่ได้อะไรที่เป็นสาระเลยที่เรออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกเลื่เธอเปลือบเพื่อนไปส่วนเรื่องของกายของใจตัวเองไม่รู้ว่าต้องเรียนปัญหาใหญ่คือตรงนี้เราไม่รู้ว่า การจะศึกษาปฏิบัติธรรมนะั้นเราศึกษาลงที่กายที่ใจของตัวเองนี้เราก็ไปคิดว่าต้องทําอย่างโน้นต้องทําอย่างนี้เช่นต้องทําใจให้นิ่งๆว่างๆทาใจนิ่งๆทําใจว่างๆแล้วมันจะไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้ยังไงมันไม่ยอมเรียนอะไรหรอกมันก็ว่างๆอยู่นั่นเองหรือบางคนก็ใช้การคิดเอานะคิดเอาว่าร่างกายเป็นอย่างนี้จิตใจเป็นอย่างนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา คิดเอาก็ไม่ใช่การปฏิบัติใครๆมันก็คิดได้แต่มันล้างกิเลสไม่ได้กิเลสไม่กลัวความคิดเพราะความคิดนั้นเป็นเครื่องมือของกิเลสพวกเราสังเกตไหมก่อนจะเกิดกิเลสเนี่ยเราต้องคิดหน่อยหนึ่งก่อนนึกออกไหมยังเพราะนั้นความคิดเนี่ยคือเครื่องมือของกิเลส เ, เราจะไปเรียนรู้ธรรมะด้วยการคิดเอาเราตกเป็นทาสของกิเลสแบบไม่รู้เรื่องเลยก่อนจะโกรธต้องคิดหน่อยหนึ่งถึงจะโกรธใช่ไหม ก่อนจะรักต้องคิดหน่อยถึงจะรักอย่างเรานั่งรถผ่านไปเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเห็นคนสวยหรือเห็นหมาขี่เลือเ้อเท่าเทียมกันนะใจไม่ได้คิดอะไรดูผ่านๆไปอย่เงีย้ยเฉยๆถ้าใจมันสนใจเนดูไปเอ้ยคนนี้สวยจังคนนี้สวยจังคนนี้หล่อจังใจมันก็เกิดชอบตรงนี้โสรกจังมีแต่ขยะหน้ารังเกียดอย่างงี้ใจขยะขยง ใ, ใจมันต้องคิดหน่อยหนึ่งในขณะที่ตามองเห็นในขณะที่หูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสในขณะนี้นยังไม่มีกิเลสออกเราคิดนิดหนึ่งก่อนกิเลสจะเกิดเพราะฉั้นความคิดเนี่ยนะเราอย่าเามาใช้กับการปฏิบัติความคิดเป็นเครื่องมือของกิเลสแต่ถ้าคิดดีนะก็เป็นกุศลเหมือนกันนะแต่เป็นกุศลพื้นๆเรียกสาธารณะกุศลคนไทยมายืมคําว่าสาธารณะกุศลไปใช้ อย่าไปเก็บศพไม่มีญาติเลยนีสาธารณกุศลจริงคำว่าสาธารณกุศลคือกุศลธรรมดาที่ไม่ใช่กุศลในขั้นเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยสิ่งที่เราจะมาฝึกฝนตัวเองต่อไปนี้นะคือการหัดรู้สภาวะเราจะต้องหัดรู้สภาวะให้ได้ถ้าเรารู้สภาวะไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าสภาวะมีอะไรนะก็คือรูปธรปรมกนามธรรมทั้งหลาย ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่เองถ้าเรารู้สภาวะไม่ได้เราจะไม่สามารถเห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็จะเห็นร่างกายเราก็จะรู้สึกร่างกายนี้เป็นตัวเราเวลาเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็จะว่าเราสุขเราทุกข์เวลาเกิดกุศลเกิดอกุศลก็จะว่าเราจิตใจเราตัวเรามีกุศลหรือเราโลบเราโกรธเราหลงมันมีเราขึ้นมา เราต้องมาหารู้สภาวะให้ได้นะแล้วสภาวะนั่นแหละรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นแหละจะสอนกรรมฐานเราจะสอนความจริงให้เราเห็นสัจจะความจริงเราใช้การเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาอย่างคําว่าสัจฉิกริยาสัจฉิกริยาว่าการเข้าไปเห็นการเข้าไปไประจักษ์การเข้าไปรู้นะ ไม่ใช่เรื่องคิดขีดเ้เราศาสตร์แห่งการเข้าไปรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นศาสตร์เฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่มีศาสดาอื่นเลยที่จะสอนในศาสตร์อันนี้ศาสดาอื่นก็จะสอนให้ทําทานให้ถือศีลให้นั่งสมาธิสอนแค่นี้อยู่เท่านี้แหละนั่งสมาธิหรือฝึกจิตฝึกใจดีแล้วไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนดีเวลาตายไป ก็จะได้ไปอยู่กับสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าก็แล้วแต่ว่าแต่ละาศาสดานะั้นจะเอาอะไรมาเป็นอุดมคติของตัวเองอยากไปอยู่สวรรค์ไปอยู่พรหมโลกอยู่อะไรต่ออะไรบางคนก็คิดว่าทำดีไว้พอตายปุ๊บพระเจ้าจะมารับไปหรือเทวทูตจะมารับไปเ็รออยู่นั้นไม่มารับสักทีมีแต่คาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนสาศาส์ แห่งการรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงทํำยังไงเราจะรู้กายอย่างที่กายเป็นทํำยังไงจะรู้ใจอย่างที่ใจเป็นถ้ารู้ตรงนี้ไม่ได้ยังคุยเรื่องวิปั ส, สนาไม่ได้เะฉะนั้นอย่างพวกเราบางคนไปนเ ข, าข้าคอชื่อคอสมิปั ส, สนาแต่หลวงพ่อดูแล้วเห็นว่าจะทํำวิปั ส, สนาสักคนนั่นทำสมถะอย่างเราไปเดินจงกรมนะไปยกขาย่างขาอะไรเนะี่ยรู้อยู่ที่ขาจิตจ้องอยู่ที่ขา แล้วอะไรเกิดขึ้นเกิดความสงบเกิดกสมัมถะาหรือไปรู้ลมหายใจจิตใจไม่หนีไปจากลมหายใจหรือจิตสงบอยู่ที่ลมหายใจก็เป็นสมาทาและจิตสงบอยู่ในรมอันเดียวมันไม่ขึ้นวิปัสสนาเพราะอะไรมันไม่เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปนะัสสนาฟันธงเลยนะถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนา เห็นสภาวะอย่างเดียวเป็นวิปัสนาไหมเห็นสภาวะเช่นเห็นร่างกายหายใจออเห็นร่างกายหายใจเข้าเป็นวิปัสนาไหมไม่เป็นเนี่ยขยับแล้ว <kilograms> ก็รู้สึกถึงร่างกายที่ขยับเนี่ยพยักหน้ารู้สึกถึงร่างกายที่พยักหน้าเป็นวิปัสนาไหมไม่เป็นเพราะอะไรนี่คือรู้ตัวสภาวะรู้รูปที่เคลื่อนไหวการรู้รูปหรือกระทั่งการรู้นามนะ ก็เป็นสมถะต้องเห็นใจรักษถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นงานเราที่จะต้องเปียดให้ได้นะอันแรกนะต้องหัดรู้สภาวะให้ได้อันที่สองต้องเห็นสภาว ะ, สะแสดงใจรักษ์ให้ได้ถ้าทำสองอย่างได้นี่มรรคผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกในชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่ควรเห็นความเป็นใจรักของรูปนามจะเข้าถึงมรรคผลนิพพาน ไม่ใช่เรื่องยากแต่บางคนก็ไม่ได้นะบางคนอย่างเขามุ่งพุทธภูมิเนี้ยเขาก็ไม่เข้ามรรคผลนิพพานเขาจะเจริญปัญญาไปจนแก่รอบเลยก็หยุดอยู่อย่างนั้นก็ไปทำความดีอื่นๆไปได้กันบารมีเต็มได้พระพระพุทธเจ้าได้ทำบุญในพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วก็ตั้งปณิธานต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าบารมีเต็มแนละ้ว จเจริญวิปัสสนาเขาแก่รอบเต็มที่แล้วท่านก็จะไปยกระดัในพวกพวกนี้เขาดีนะเขาไม่บรรลุส่วนพวกเราใครหวังพุทธภูมิยกมือสิ้นมีไหมให้หลวงพ่อดูหน่อยไม่มีเลยหรอทำไมใจแคบนั้นบางที่นะอุย้ยพุทธภูมิเยอะมากเลยทั้งทั้งที่ดูแล้วไม่ใช่พุทธภูมิหรอกดูหน้าก็รู้แล้วอบายภูมิ <laughs> แต่ละคนหน้าตามันโกิเลสท่วหัวอย่าพูดถูกภูมิเลยเห็นแก่ตัว น, นี่ถ้าเราไม่ได้มุ่งพุทธภูมิการภาวนาของเราจะไม่ใช่เรื่องลำบากยากแค้นอะไรนักหรอกใช้เวลาไม่มากในการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจคือความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกาใจใช้เวลาไม่เยอะบางคนใช้เวลาเจปีบรรลุพระอรหันต์ บางคนก็หกปี5ปีปีเดียวบางคน7เดือนเดือนเดียวบางคน7วันวันเดียวก็มีที่จะบรรลุแล้วพวกเราปฏิบัติได้ถูกต้องโอกาสที่จะบรรลุในเวลาอันสั้นมันก็มีถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันก็ไม่บรรลุหรอกและส่วนใหญ่ที่ไม่ไม่ได้เรื่องกันก็คือมันทำผิดแทนที่จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมันก็ไปจ้องรูปนามไม่เฉยเฉยแทนจ้องร่างกายจ้องจ้อง จะทำอะไรสงวัก็หิวน้านะจะกินน้ำพอดีไตวายวอย่าไปจ้องตัวที่จะทำให้เราเห็นสภาวะได้นะจะต้องหลุดออกจากความสุดโต่งสองด้านความสุดโต่งสองด้านเนี่ยทำให้เราเห็นสภาวะไม่ได้นะอันแรกความสุดโต่งในข้างเผลอไป ใจลอยไปเวลาที่เราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมเวลาที่เราใจลอยนะเรามีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เราก็ลืมไม่รู้มันหรอกมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นเราก็ลืมเพราะฉะนั้นในเวลาที่ใจลอยเนี่ยไม่เห็นสภาวะรู้จักใจลอยไหมใจลอยบ่อยไหมวันหนึง่งบางคนไม่บ่อยหรอกบางคนวันละครั้ง ตื่นมาก็ใจลอยเจอนทั้งหลับนะหลับแล้วยังฝันต่ออีกนะใครใจลอยบาละครั้งสารภาพมามีไหม ย, ยังเหลืออยู่ไหม ย, ยังไม่สูนพันธุ์อีกเหรอเรืยนกรรมฐ า, า, านทะั้งนานแล้วใจลอยบ้างละครัไม่ได้เรื่องนะฝึกรู้สึกตัวให้จิตใจมันอยู่กับเนืกับตัวหายใจไปพูดโธรไปอะไรก็ได้นะแล้วเวลาใจลอยเนี่ยคอยรู้ทัน พุดโทพุดโทไปหรือไม่ชอบพูดโทอยากใช้คำอื่นก็ได้อะไรก็ได้ไม่สำคัญหรอกสำคัญที่รู้ทันใจรู้ลมหายใจก็ได้หายใจไปแล้วใจลอยก็รู้ทันหรือจะดูท้องพองยุบจะขยับมือทำจังหวะทำอะไรก็ได้แต่ว่าคอยรู้ทันใจไปส่วนใหญ่ที่พลาดกันไม่รู้ลมหายใจก็ไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจไม่รู้ทันใจตัวเองไปดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไม่รู้ทันใจตัวเอง ค อ, อยจ้องอยู่ที่ท้องคือพอไปรู้อะไรก็ไปจ้องอยู่ที่นั้นไม่รู้ใจตัวเองเราปรับนิดเดียวทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองไหมตัวนี้ตัวสำคัญตัวแตกหักเลยว่าเราจะทำต่อไปได้ไหมส่วนใหญ่เนี่ยเราไปเอาสิ่งซึ่งไม่เป็นสาระนะมาเป็นสาระเราทิ้งสิ่งที่เป็นสาระซะคือเราทิ้งใจเราทิ้งใจหลวงปูมั่นเียใจ่วงพิเศษ ทุกคนมีของวิเศษประจำตัวแต่ทิ้งมันอยากได้โน่นอยากได้นี่ไปแต่ว่าทิ้งใจของตัวเองอยากได้นิพพานแต่ทิ้งใจของตัวเองอยากให้เกิดมรรคผลแต่ๆๆทิ้งใจของตัวเองอยามีสติก็ทิ้งใจของตัวเองอะไรๆก็ทิ้งใจของตัวเองใจหนีไปตลอดเลยร่อนเรนะ่เหมือนหมาจรจัดร่อนเร่คาว่าจรจัดเนคำที่ดีนะจรจัดคือจรเก่งมากเลยจัดมากเลยไม่หยุดเลย ใครยังมีใจที่จอนจัดบ้างยกมือซิส่วนน้อยนะที่ยกมือนอกนั้นโอ้น่าอัศจรรย์เ <c oughs> ชื่อดีไหมไมีเชื่อหรอก <c oughs> ดูโง่เหงแล้วไม่ให้เลยแต่ละคนวันจอนจอนจัดอย่างยิ่งหลวงพ่อถามผิดล้วใครจอนจัดบ้างเลยไม่ยกถ้าถามใครจอนจัดอย่างยิ่งคงจะ ย, ย, ยกเยอะเลยนะใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่หรอกนะต้องฝึกนะ เพรใจเนี่ยมันจะไหลไปตามความเคยชินไม่เคยฟุงซ่านมันจะฟงซ่านนะงั้นเราคอยรู้ทันมันหัดกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะช่วยตัวเองหน่อยไม่มีใครช่วยเราได้หรอกพระพุทธเจ้าคนมาอุ้มเราไปนิพพานไม่ได้ต้องช่วยตัวเองทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองพุทโธพุทโธไปใจหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปใจหนีไปคิดรู้ทันหรือใจไหลไปเพ่งก็ให้รู้ทันเวลาเราพุทโธพุทโธมันจะเพ่งความว่าง เวลาเรารู้ลมหายใจไม่ใช่เพ่งลมหายใจดงนั้นใจมันเคลื่อนไปนเคลื่อนไปคิดรู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแต่ไปใจมันเคลื่อนปุ๊บรู้ปุ๊บความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจก็อยู่นเ น, น, เ น, เ น, เนื้อกับตัวเนี่ยเห็นสภาวะได้แล้วแต่ยังไม่เห็นใจหลักถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเห็นสภาวะได้แล้วลองลองนั่งซิลองนั่งอยู่แล้วใช่ไหมลองลองยิ้มซิทุกคนลองยิ้มแล้วเห็นตัวเองยิ้ม ยิ้มหวานนะยิ้มยิ้มออกมาจากภายในเลยยิ้มอย่างสดชื่นเห็นตัวเองยิ้มไหมเห็นด้วยความรู้สึกไม่ได้เห็นด้วยตามไม่ต้องเอากระจกมาส่องรู้ด้วยความรู้สึกไม่เห็นอะไรเห็นร่างกายยิ้มเห็น ร, ร่างกายยิ้มเห็นใจรักหรื อ, อยังยังยังไม่เห็นใจรักถ้ามีไงจะเห็นัจรักในความเป็นจริงแล้วใจรักเนี่ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลา แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาในรูปธรรมในนามธรรมา ท, ทั้งหลายฝึกนะฝึกกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วใจเคลื่อนไปเรารู้เพราเรารู้ทันใจที่เคลื่อนเนี่ยใจจะกลับมาอยู่กับเน้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับตัวนี้สำคัญนะตรงที่ใจอยู่กับเน้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับไวนะ้ถ้าจากนั้นเราจะมาฝึกให้เห็นไตรลักษณ์เราจะเห็นไตรลักษณ์ได้นะั้นในความเป็นจริงไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่แล้ว ในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายแต่ว่านักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะที่จริงอยากจะพูดร้อยละ9 9 9ากอะไรกันนะเข้าไปแทรกแซงสภาวะพอเห็นร่างกายก็ไปเพ่งร่างกายเห็นลมหายใจก็เพ่งลมหายใจเห็นรูปธรรมเพ่งรูปธรรมเห็นนามธรรมก็เพ่งนามธรรมการที่เราเข้าไปเพ่งเราไปจ้องเนี่ยคือการแทรกแซง เราแทรกแสงอย่างเวลาเราเดินเดินในหมู่บ้านเดินไปเดินมาสบายสบายใช่ไหมเย็นเย็นเดินเล่นสบายพอคิดถึงเดินจงกรมสังเกตไหมคนเดินจงกรมเดินไม่เหมือนมนุษย์หรอกจะเดินเหมือนอะไรเหมือนนกกระยางค่อยๆย่องย่องมันแทรกแสงร่างกายเอาต่อไปลองทดลองดูต่อไปนี้ให้นั่งสมาธิ ทุกคนนั่งสมาธิสิทำไมต้องขยับเพราะจะแทรกแสงร่างกายทำไมต้องขยับสมาธิอยู่ที่ใจสมาธิไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแตพอบอกอา้าวนั่งสมาธิเนี่ยแทรกแสงเรียบร้อยแล้วดูดีแล้วหน้าเริ่มใสถัดจากนั้นแทรกแสงจิตใจทำใจขลึมทำไหม เกือบลอยลอยรวมพ่อดูมันทําทั้งนั้นน่ะแล้วของจริงจะไปอยู่ที่ไหนเวลาเราแทรกแสงร่างกายร่างกายเรานิ่งกว่าความเป็นจริงเวลาเราแทรกแสงจิตใจจิตใจจะนิ่งกว่าความเป็นจริงนะลองนั่งใหม่นั่งอย่างที่เคยนั่งแล้วลองทดสอบดูนะลองสังเกตดูว่าแทรกแสงกายแทรกแสงใจจริงหรือไม่จริงลองดูสิลองนั่งอย่างที่เคยทํา เห็นไหมแทรกแซงเรียบร้อยแล้วทื่อๆแล้วรู้สึกไหมบางคนแค่นี้ไม่พอเขาทำให้มันดูดีกว่านี้แค่สงบสงบไปมาสลบเลยนะหัวขกฟ้าเลยนะแทรกแซงมากไปถ้าอยากเห็นความจริงก็อย่าไปแทรกแซงมันให้รู้อย่างที่มันเป็น งันสิ่งสุดตรงเนี่ยมีสองข้างที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทําอันหนึ่งสุดตรงข้างตามกิเลสไปหลงไปข้างนอกลืมกายลืมใจอันนี้จะไม่เห็นสภาวะสุดตรงอันที่สองคือการบังคับกายบังคับใจที่เรียกอัตตะกิลมัฏฐานโยคจะทําให้ไม่เห็นความจริงของสภาวะจะไม่เห็นใจรักงั้นพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะออกจากวังมาแล้วไปเรียนจากฤาษี ไปหัดเข้าสมาธินั่นคือการแทรกแซงจิตใจนะจนทั่งร่างกายก็หายไปเลยไม่มีร่างกายนะถูกแทรกแซงจนร่างกายหายไปเลยแล้วจิตใจก็เกือบจะหมดความรู้สึกเลยแทรกแซงอย่างแรงออกจากสมาธิมาท่านก็ถามอาจารย์ว่ายังมีวิชาอะไรมากกว่านี้อีกไหมอาจารย์บอกจบหลักสูตรละเจ้าชายรุทธาบอกใช้ไม่ได้ไม่พ้นถูกจริง มันไปทาใจให้ว่างๆให้นิ่งๆเกือบจะหมดความรู้สึกนะพอกลับมามีความรู้สึกกิริสก็กลับมาอีกไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาท่านก็ค่อยๆมาฝึกของท่านเองค่อยๆมาเรียนจนกระทั่งช่วงที่ใกล้จะบรรลุเป็นผู้เทเจ้านะท่านเข้าสู่ทางสายกลางจริงๆตอนหน้านั้นก็ไปทนทรมานร่างกายอยู่หลายปีหแล้วได้ยินพระอินทมาติพินไหเคยอ่านไหมได้ยินเชื่อไหม เคยอ่านเชื่อไหมไม่แน่ใจอ่ะก็หลวลงพ่อก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ก่อนนะเราไม่เคยเห็นพระอินทร์มีจริงหเปล่าก็ไม่รู้ภาวนาสิเราจะรู้จักพระอินทร์ท่านเข้าสู่ทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนหย่อนนี่คือลืมกายลืมใจนะลืมตัวเองไปตึงก็คือบังคับกายบังคับใจถ้าหย่อนลืมกายลืมใจนะ ก็ลืมไม่สามารถเห็นสภาวะได้มีรูปธรรมลืมรูปธรรมมีนามธรรมลืมนามธรรมถ้าตึงไปรูปธปรรมก็นิ่งนามธรรมก็นิ่งแข็งแข็งไปหมดเลยนะก็ผิดธรรมชาติทางสายกลางคือรู้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็รู้สึกนะเห็นรูปธรรมมันทางานไปเห็นนามธรรมมันทำงานไ ป, นนนนนไปอย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็น อย่าขณะ น, นี้ร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมเนี่ยลองรู้สึกสิอย่าไปจ้องที่ลมหายใจนะเห็นร่างกายเห็นทั้งตัวเนี่ยมันกำลังหายใจอยูนะ่เราเห็นด้วยใจที่ธรรมดาไม่ต้องด้วยใจที่มายานะทําให้ขึ้ๆเอาละ่ะเอาก่อนจะรู้สึกทําใจขึมก่อนเนี่ยเราไปเห็นสุดท้ายจะไปเพ่งลมหายใจนะอย่าไปจ้อ ง, อ ย, งอย่าไปเพ่งยิ้มหวานยิ้มหวานหวานเดีว เหมือนถูกหวยนี่หัวล้อแล้วมันทะเลน้นเอาแค่ยิ้มเอาแค่ยิ้มยิ้มหวานๆ เ, าเห็นร่างกายยิ้มไหมอลองทําหน้าเบื้องสิทาหน้าเบื้องเหมือนถูกหลวงพ่อประจาย์ว่ากิเลสเยอะอย่างนี้่งนี้โมโหทําหน้าหน้าโมโหหน่อยสิไม่ค่อยโมโหเลยเป็นดาราไม่ได้นะดารามันต้องปั้นหน้าได้หลอกหลอก บางคนมันเล่นบทร้องห่มร้องไห้นะหลวงพ่อดูหนังไม่สนุกตั้งแต่เป็นโยมแล้วนะจะไม่ดูละครเลยมันไม่สนุกอย่างนางเอกมันร้องไห้นะเราเห็นว่าข้างในมันหัวเราะสนุกอะไรมันหลอกเรานะดูไม่สนุกเนี่ยเราดูของเราไปนะดูร่างกายเล่นละครดูจิตใจมันเล่นละครเราเป็นคนดูเราอย่าไปเล่นซะเองทําตัวเป็นคนดูนะอย่าไปเล่นเองเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> <S 1> เห็นไหมบางคนก็เก่าแล้ว ว่าวเห็นอะไรเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันพยักหน้าใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันหน้าบึง้งกำลังเงื้อมือจะตกชาวบ้านละเคลื่อนไหวรู้สึกมือกําลังเคลื่อนไปรู้สึ ก, ก, เ, สกเกิดสติรู้ทันว่าเฮ้ยอย่าไปตกเข้าเบรกไม่ทันเคยไหมว่าจะยุงกัดตบแล้วแต่ยึดขึ้นได้ให้อย่าตกแต่ตก เพาอะไรเพราะจิตเนี่ยมันถูกออเดอร์ไปแล้วถูกสั่งไปแล้วไอ้ร่างกายเนี่ยมันถูกจิตดวงก่อนสั่งให้ฆ่ายุงไปแล้วจิตดวงใหม่สั่งแล้วร่างกายยังรับออเดอร์ไม่ทันเนี้ยเราเคยรู้สึกอยู่ที่กายเคยรู้สึกที่ใจรู้สึกธรรมดาธรรมดารู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นไปขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ขณะนี้ร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่ คนส่วนใจญ่ทำไม่ได้เพราะอะไรให้รู้ว่าร่างกายนั่งก็ไปเพ่งให้รู้ลมหายใจให้รู้ว่าร่างกายหายใจนะกลับไปเพ่งลมหายใจต่อไปนี้เลิกซะทีเถอะไอ้เรื่องไปเพ่งลมหายใจให้รู้ร่างกายหายใจอย่าไปจ้องลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายนอนเราเป็นแค่คนเห็นเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันนั่ง ขณะนี้มันนั่งอยู่ใช่ไหมเห็นไหมด้วยใจเห็นด้วยความรู้สึกไม่ต้องเอากระจกมาส่องอะไรหรอกนะเห็นไหมมันเคลื่อนไหวขณะที่เราเห็นด้วยใจที่ธรรมดาธรรมดารู้สึกไหมร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันเอายิ้มหวานยิ้มหวานเห็นไหมตัวอะไรยิ้มอยู่อ้าขยับมือไอ้พวกนักร้องแต่ก่อนก่อนหลงพ่อจะบวมมันชอบขอมือหน่อยขอมือ เร า, าบ้างแต่เราไม่ไปหลงอย่างมันขยับเห็นไหมร่างกายมันขยับมือนะอย่าไปจ้องใส่มือนะถ้าจ้องใส่มือใ จ, จีะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูจะปรับตัวนี้ให้ดีนะอาจารย์พิธรมบางท่านก็สอนดีรูปรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้หลวงพ่อภาษาไทยหน่อย ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเราดูมันทำงานหรือจิตใจมันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดียดเด๋ยวก็ชั่วเดีย๋ยวตอนนี้ใครอยากกลับบ้านบ้างยกมือสิมีไหมไม่มีเลยเหรอหรือเกรงใจใครไม่รู้เรื่องบ้างมีไหมยกมือสิอัศจรรย์อัจฉริยะทั้งหมู่บ้านเลย เห็นไหมตัวอะไรหัวเราะอย่าบอกว่าเห็นนะเมื่อกี้ไม่เห็นเมื่อกี้เผลอหัวเราะอาการหัวเราะทำไมหลวงพ่อดูว่าเผลอมันคืออาการของเด็กทารกอ่ะอาการหัวเราะมันเหมือนเด็กทารกถ้าลุกขึ้นเต้นลแลรวก็อาการของคนบ้าเลยนี่พูดที่เจ้าบอกนะอย่างเมื่อกี้หัวเราะแต่ว่าไม่มีสติอาการเหมือนทารก อาการทางนักปฏิบัติเป็นยังไงหัวเราะหัวเราะไปธรรมดาเนี่เองจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ใช่จิตใจขำช่ำแย่ก็ทําคลิมอย่างหัวเราะนะเสียบ้านนักปฏิบัติเอาอล้วเห็นไหมหัวเราะแล้วลืมตัวเองตอนที่หัวเราะแล้วลืมตัวเองเนี่ยจิตเป็นแบบไหนเข้าใจไหมรู้จักจิตตัวเองไหมขณะที่หัวเรานะนั้นมีความสุขไหม มีความสุขจิตมีความสุขจิตมีความสุขเป็นกุศลหรืรออกุศลไม่ใช่จิตที่มีความสุขนะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ในขณะนั้นถ้ามีความสุขอย่างที่เราเลเมื่อกี้ขาดสติจิตเป็นอกุศลจิตชนิดที่เรียกว่าโลภะมูลจิตเวลามีโลภะมูลจิตจิตมีความสุขนะแต่จิตเป็นอุเบกขาแต่ถ้ามีโทสะมูลจิตนะจิตจะมีความทุกข์ เวลาที่มีความสุขเนี่ยถ้าขาดสติชักตัวเดียวนะขณะนั้นเป็นโลภะมูลจิตจิตที่ประกอบด้วยโลภะพะนั้นที่เราหัวล้อแบบลืมเนื้อลืมตัวก็เป็นอกุศลจิตแต่ว่าก็ยังอาศัยการฟังธรรมนะแล้วก็หลงไปเพลิดเพลินในการฟังธรรมมันยังมีบุญเจือบาปตายไปไม่ตกนรกทีเดียวหรอกกนะ็จะได้มาเป็นลุกคติวดาอยู่แถวนี้นะ ถ้ามีใครมาเทศเขาก็จมได้มาฟังอีกฟั ง, ฟงหิวหัวล้ออีกอันนี้ตกนรกเลยขาสติลร้แดงสะสมมาหลายชาติแล้วรู้สึกตัวใจลอยไปยั่งตรงโลงวันนี้ตรงพ่อสอนอะไรจับได้ไลยหลวงพ่อสอนบอกว่าถ้าเราจะให้ได้มรรคผลนิพพา น, นเราต้องเห็นความจริงของสภาวะคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม เราจะเห็นรูปนามได้เราต้องไม่ใจลอยนันการใจลอยนีย่คือศัตรูทําให้เราเห็นรูปนามไม่ได้การเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจนะมีการแทรกแซงกายแทรกแซงใจทำไม่ไม่ทําให้เห็นในความเป็นไตรลักษณ์ไม่ได้มันจะนิ่งไปหมดเลยเวลาเราเพ่งจิตใช่ไหมจิตก็นิ่งไม่รลภไม่โกรดไม่หลงเฉยๆยเหมือนกับคงที่เลยแทนที่จะเห็นไม่เที่ยงนะกายเป็นเที่ยงไปหรือถ้าเพ่งเก่งๆนะมีความสุข แทนที่เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะกัเห็นว่ามันเป็นสุขแล้วก็ถ้าเพ่งเก่งๆนั้นใจฟุ้งซ่านเพ่งปุ๊บสงบปั๊บมันจะรู้สึกว่ากูบังคับได้แทนที่จะเห็นอนัตตานะกลายเป็เห็นอัตตาเพราะฉะนั้นถ้าทําผิดนะแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะเห็นนิจจังสุขขังอัตตาถ้าทําผิดนะจะเห็นนิจจังสุขังอัตตาเมื่อสัก30ปีก่อนพวกคริสอ่ะเขาพยายามรับ ศา ส, สนาพุทธเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะต่ําชั้นต่ําสอนแต่อานิจจังทุกขังอนัตตาฟังแล้วไร้ความหวังเนี่ยถ้ามาเป็นคริสต์เนี่ยก็สอนนิจจังสุขขังอัตตาเห็นไหมดีเนี่ยดีดีดดยังไงมันไม่มีจริงอะไรบ้างะเที่ยงมันไม่มีอะไรละสุขมันมีไหมล่ะมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไป ทุกสิ่งทุกอย่างถูกบีบคั้นให้สลายตัวตลอดเวลาแล้วมัน ส, สุกตรงไหนสิ่งที่กําลังถูกบีบคั้นให้ตายลงไปนะมันสุกยังไงสิ่งที่บังคับไม่ได้ร่างกายใครบังคับได้สั่งไม่ให้แก่ได้ไหมสั่งไม่ให้เจ็บได้ไหมสั่งไม่ให้ตายได้ไหมนั่งอยู่เนี่ยสั่งไม่ให้ปวดได้ไหมไม่ให้เมื่อยไม่ให้คันไม่ให้หิวไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนสั่งไม่ได้สักอย่างเลยนะสั่งไม่ให้แก่มันก็แก่นะ ยิ่งสั่งมากยิ่งแก่เร็วเพราใจกังวลนะเนี่ยไปเห็นคนอื่นเขาหน้าเริ่มเหี่ยวแล้วอุ้ยเราเรีบมาส่องกระจกใหญ่เหี่ยวยวังสองเช้าสายบ่ายเย็นนะกังวลมากเลยกลัวหน้าเหี่ยวแป๊บเดียวเหี่ยวเลยเพราะกังวลมากนะสั่งมันไม่ได้จิตใจก็สั่งไม่ได้สั่งให้สุขได้ไหมห้ามทุกข์ได้ไหมสั่งให้ดีได้ไหมห้ามชั่วได้ไหมทำไม่ได้ นิจจังสุขังอนตามันก็คล้ายๆการโฆษณาไม่มีจริงสิ่งที่มีจริงคืออ น, นิจจังทุกขอังอนัตตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเด็กพระพุทธเจ้าสอนสาวกให้เป็นผู้ใหญ่ให้มีวุฒธธิภาวะนะะผู้ใหญ่ไม่ต้องหลอกเด็กไม่ใช่หลอกๆให้เพ้อฝันไปแต่ท่านสอนให้พวกเราดูของจริงในกายในใจนี้จนเห็นความจริงกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะดูกายนี่จะเห็น เป็นทุก er ข er er, ์ก er, ับอนัตตาง่ายหรือจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ดูจิตใจจะเห็นไม่เที่ยงกับอนัตตาง่ายอยากดูร่างกายเนี่ยจะดูว่าไม่เที่ยงเนี่ยดูยากพอรูปอายุยืนนะแต่จิตใจเนี่ยเป็นนามธรรมเกิดดับรวดเร็วดูว่าไม่เที่ยงดูง่ายร่างกายดูว่าทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์หายใจออกหายใจเข้าก็ทุกข์ดูง่าย จิตใจเหรอพอภนาไปมีแต่ความสุขดูยากดูยากว่าถูกนะงั้นส่วนใหญ่ที่หลวงปู่ดูลยเคยบอกหลวงพ่อมานักปฏิบัตินะส่วนใหญ่มาตายตอนเป็นพระนาคานี่แหละข้าอันสุดท้ายไม่ได้เพราะอะไรตอนเป็นพระนาคาแล้วเนี่ยจิตใจมีความสุขอันมหาศาลจนะิตใจเป็นทรงตัวมีสมาธิอัตโนมัติสมาธิมบริบนนะูรณ์ละ สมาธิเด่นดวงอยู่นะทั้งวันทั้งคืนใจไม่หลงไม่ไหลอะไรเนะี่ยสว่างสบายสบายก็เลยเห็นว่าจิตเนี้ยเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เป็นของดีของวิเศษต่อมาปัญญาแก่รอบนะเห็นว่าจิตนี้ก็ตัวทุกข์นะจิตนี้ก็ตัวอนัตตาถ้าเห็นได้อย่างนั้นถึงจะวางถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ต้องค่อยๆฝึกนะค่อยๆ่อยฝึกไปอย่าใจลอยทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่ง แล้วคอยรู้ทันเวลาใจหนีไปต้องทําต้องทํานะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันแบ่งเวลาไว้15นาทีอย่างต่ําเอา15นาทีอย่างต่ําไม่ต้องมากบังคับตัวเองจะปฏิบัติวันละหชั่วโมงได้วันเดียวอีกวันหนึ่งก็4ชั่วโมง5มันมากไปไม่ใช่ทางสายกลางอีกวันหนึ่งสี่ก็ไม่ทางสายกลางมากไปหน่อยล้นล้นล้เหลือนาทีเดียวสุดท้ายมันก็เลิก ทำน้อยๆก่อนทำน้อยๆแล้วเห็นผลนะมีความสุขเห็นความพัฒนาในจิตใจของเรามันจะขยันภาวนามันเพิ่มขึ้นได้เองลูกศิษย์หลงพ่อเนี่ยหลวงพ่อหลอกใช้หลอกเลยนะหลอกให้ทําวันหนึ่ง15นาทีแต่สุดท้ายมันทําได้ทั้งวันเลยจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาฝึกกันอยู่ทั้งวันนะใจขยับริกรู้ใจขยับคลิกรู้ได้สมาธิ เห็นน่ะจิตมันขยับได้เองเราไม่ได้สั่งมันนั่นคือเจริึนปัญญาเห็นไตร ล, ลักษณ์งั้นเอาเบื้องต้นเอาสัก15นาทีทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวนี้สําคัญนะมีบางคนบอกว่าไม่ได้เบื้องต้นต้องดูกายเข้าใจผิดแล้วบทเรียนของพระพุทธเจ้าศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาปัญญาสิกขานั่นแหละไปเห็นความจริงของรูปนาม ก่อนจะเห็นความจริงของรูปนามต้องมีจิตสิกย์ขาก่อนเรียนเรืจิตก่อนไม่งั้นเราจะไม่มีจิตที่มีคุณภาพอย่างเราไปเดินจงกลมนะเดินวันหนึ่งต้องหลายชั่วโมงเดินด้วยจิตที่ไม่มีคุณภาพเหนื่อยเปล่าๆไอ้นั้นมันอัดตากติลมัฏฐา น, นยุ่งรมานตัวเองนะจิตมันไม่มีคุณภาพหรือใจฟุ้งซ่านน่งไม่มีคุณภาพไม่ได้อะไรสักอย่างเลยได้แต่อคุศนถ้าใจฟุ้งซ่านนั้นทํากรรมฐานนะ ใครถนัดพุทโธยกมือสิในนี้พุทโธพุทโธต่อไปนี้ไม่ได้พุทโธเพ่งจิตให้นิ่งนะพุทโธเรารู้ทันจิตพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจเคยได้ยินประโยคนี้ไหมหลวงปู่บุจันทร์สอนอยู่ท่ามผาพึ่งใจประการพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเราก็รู้ใจของเราแลยหลวงปู่มั่นไปเดินชงกลมอยู่กับพวกชาวเขาชาวเขาถามว่าท่านเดินหาอะไรเดินก้มหน้าทั้งวันเลย สงสารเดินมาหลายวันแล้วจะช่วยหาท่านลอกท่านหาพุทโธพุทโธก็่ือใจเรานี่เองถ้าเราทิ้งใจโดยวิเศษเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติเนี่ยต้องต้องได้ใจก่อนนะฝึกกรรมฐานให้มันได้ใจให้ใจมีอยู่กันเนื้อกันตัวกันแล้วมันถึงจะเห็นใจรับของกายของใจได้นะค่อยฝึกเอานะทําได้อย่างนี้ก็จะพัฒนาไปได้หรับ หลวงพ่อประเมินพวกเราแล้วนะหนึปีหรือปีกว่าๆที่ผ่านมาใช้ได้ไม่เหลวไหลเท่าที่คิดไม่เหลวไหลเท่าที่คิดหรอกดูใช้ได้อยู่สังเกตไหมจิตใจพวกเราขนาดนี้มันอยู่กันเนือกับตัวสังเกตไหมพอหลวงพ่อชมว่าจิตใจอยู่กับเนืกับตัวก็เริ่มเพ่งลนะกลัวจะหนีเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ชม ฝึกนะฝึกเขาพอสมควรแล้วนะเทศยาวนักก็ไม่มีประโยชน์ใครจะถามอะไรเชิญกับพาธีารลพอครับก็ส่งการบ้านในรอบปีครึ่งครับพิที่รักระส่งที่กฟอ พ, อพอครับก็รู้สึกว่ า, ารู้สึกตัวมากขึ้นครับโทสะโมหะน้อยลงไปเยอะครับืมื่อก่อนนี้โทสะเยอะมากเลยครับววครับก็ขอชี้แนะจากหลวงพ่อเพิ่มเติมครับ ที่แล้วหลวงพ่อแนะนําว่าให้ใจน้อนน้อยลงครับรู้ทันมันก็ใจร้อนน้อยลงนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันโมโหขึ้นมาเราก็ตามใจมันเราจะยิ่งโมโหมากขึ้นเร็วขึ้นเพราะใจมันเคยชินที่จะโมโหเรามาฝึกความเคยชินใหม่คือฝึกมีสติเอากรดที่มาปบรู้ทันกรดพุ๊บรู้ทันนะสติมเกิดได้สติมาแล้วนะศีลสมาธิปัญญาเก็มีโอกาสเกิดแล้วละสังเกตไหมขณะนี้กายกับใจ มันแยกกันได้ไหมเห็นไหมว่ามันคนละอ่านหรือมันอันเดียวกันบางทีก็เห็นว่ามันแยกจากกัรนะครับมนถ้าเคยเห็นบ้างเราก็ใช้ได้แล้วล่ะไม่จะรู้เลยว่ากายกระชามันคนละส่วนกันขันเน่นะพอแยกได้แล้วมันจะเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นไหมร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราแล้วทันทีที่ขันแยกทันทีที่ขันแยกมันจะเริ่มเห็นว่มันไม่ใช่เรานี่ยว้าหรือมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ที่ได้อย่างเจออคติคิดนะตรงที่เราแยกกายแยกใจแยกรูปนามได้เรียกนามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปนามพอแยกได้แล้วเราก็จะรู้รูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างมีเหตุถึงจะเกิดหมดเหตุมันก็ดับไปนะมันเกิดจากเหตุมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันดับอันนี้เรียกว่ารู้เหตุของมันเรียกว่าปัจจะยปริขหายาณ เราก็จะรู้เลยว่าโวมันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะอะไรเมื่อวานจิตเป็นอย่างนี้วันนี้จิตเป็นอย่างนี้นะเป็นการเปรียบเทียบคนละห่วงเวลาเทียบสภาวะสองอันนะที่ไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่าสมมาสัญญายังไม่ใช่วิปัสสนาสมมาสัญญาเ น, นี่ยเทียบสภาวะสองอันเช่น จ, จิตใจเมื่อวานมันขุ่นมัวจิตใจวันนี้ผ่องใสเออจิตใจไม่เที่ยงดูรูป รูปเราเมื่อปีไกลย่างสาววันนี้ปีนี้ตื่นการขึ้นนี่รูปไม่เทียงเนี่ยเทียบสภาวะสองอันเทียบสภาวะสองอันแล้วก็ว่ามันเปลี่ยนอันนี้ยังไม่ใช่วิปปั ส, สนานะเป็นสมมัชนญาณถ้าเมื่อไหร่เห็นสภาวะอันเดียวเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตัวเดียวกันเนี้ยนี่แหละเรียกว่าอุตรยยยิภยญาณขึ้นไม่ปั ส, สนาแล้วเห็นไหมความโกรธพุ่ขึ้นมาแล้วก็ดับความโกรธพุ่งขึ้นมาแล้วก็ดับ เห็นอยู่อย่างนี้แหละนะก็จะเจริญปัญญาขั้นวิปัสนาไดนะ้เห็นไหมความโกรธมันมีเหตุมันเกิดเองไม่ได้สั่งให้เกิดมันเกิดเองบางทีสั่งว่าอยากเกิดมันดันเกิดใช่ไหมสั่งมันไม่ได้เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ดูไปจนวันนึงใจยอมรับนะอย่าเราหันดูเป็นขณะขณะไปเนี้ยเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหาย เป็นเองสั่งไม่ได้ดูซ้ําแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นนะว่าจิตที่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ไม่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับคนไหนขี้โมโหวันหนึ่งก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โกรธงั้นจะสลับกันเดี๋ยวโ ก, กรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวไม่โกรธนะรู้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกคนขี้โมโหนะ เห็นไหมจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะแค่นี้พอละที่ว่าดูจิตดูจิตในขั้นเจริญปัญญาไม่ต้องดูจิตทุกชนิดดูจิตทุกชนิดน่ะมันเยอะจิตมีทั้งเยอะนะพวกเราดูไม่ได้หรอกจิตที่เียะเป็นโลกียะมี8ปอดอย่าง8ปดสิอดชนิดแปดสิเอ็ดดวงเรียกแปดเอ็ดดวงรู้จักไม่หมดนะรู้จักไม่มากนะอย่างคนไหนขี้โมโห ก็เห็นเลเด๋ยวจิก็โมโหเดี๋ยว จ, กยวจิก็หายมโมโหเอามันคู่เดียวเรียนเรียนคู่เดียวพอที่เกิดบ่อยที่สุดคนไหนขี้โลภเจออะไรก็โลภหมดเลยมีไหมในห้องนี้ใครขี้โลภยกมือซิมีไหมใครขี้โกรธใครขี้เกียดเนี่ยนึกแล้วเชื่อตัวเนี้ยยังดีนะไม่โกหกพระ <laughs> ดูคราภิกสูุทั้งหลาย จิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะคู่เดียวกพอละสําหรับคนคี้โลกดูกราพย์พิสูจเท่าไหร่จิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะชี้โกรธ ด, ดูคู่เดียวนี้แหละเห็นไหมจิตที่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตที่ไม่โกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่หัดดูไปเงี้ยสุดท้ายปัญญามันเกิดมันจะรู้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้ดับ ถ้ามันเห็นว่าจิตทั้งชนิดเกิดแล้วดับได้น้นจะเห็นว่าสภาวะอื่นๆเกิดแล้วดับเช่นเดียวกันเพราะอะไรมีจิตก็ต้องมีเจตสิกนะความสุขความทุกข์ทั้งหลายเป็นเจตสิกเกิดร่วมกับจิตดับร่วมกับจิตนั้นถ้าเราเห็นจิตเกิดดับได้เราก็จะเห็นสุขทุกข์ก็เกิดดับได้นะความดีความชั่วรบกโรคทั้งหลายก็เป็นเจตสิกเกิดดับร่วมกับจิตรูปแสงกลิ่นรสภาพธรรมรมนะเอาข้อจริงนะจิตจะรู้มัน ถ้าจิตไม่รู้มันถึงมันมีอยู่ก็เหมือนไม่มีนะเวลาเห็นตามองเห็นรูปผู้ช่วยขณะเราก็ดับหูได้ยินเสียงช่วยขณะเราก็ดับนะอย่ามองหน้าหลวงพ่อซิตั้งใจมองนะหลวงพ่อจะแสดงปฏิหารจะเห็นหน้าหลวงพ่อชัดแว๊บเดียวรู้สึกไหมเห็นชัดแว๊บเดียวแล้วก็ต้องขยับตาใหม่ดูใหม่ชัดอีกนิดนึงก็เบลอไปล้วต้องขยับตาดูใหม่ เนี่ยจากขูวิญญาณจิตจิตที่ไปรับรูรูปนะอยู่ชั่วขณะก็ดับเมื่อเกิดแล้วดับหมดเลยแต่ถ้าเราดูละเอียดขนาดนี้ไม่เป็นไรดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจิตขี้โมโหรู้ว่าโมโหจิตโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยจิตไม่โกรธรู้ว่าไม่โกรธจิตโลภรู้ว่าโลภจิตไม่โลภรู้ว่าโลภจิตหลงรู้ว่าหลงจิตไม่หลงก็รู้ว่าไม่หลงจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าพดหู่นะไปที่พระพุทธเจ้าสอนเราสี่คู่ ไม่ต้องอวดอุตลิหาคู่ที่ยากกว่านี้นะจิตเป็นมหคัตะไม่เป็นมหคัตะหน้าตาพวกเราไม่มีหรอกจิตมหคัตตนะในจิตตานุปนะัสสนาจะมีทั้งหมด8คู่16ดวงแนะคู่เนี่ยสคู่เนี่ยเป็นของคนทั่วไปอีกสคู่หลังเป็นของคนทรงชรันเราไม่มีเราก็ดูของที่เรามีนะจิตมีราคะร่วมีราคะไม่มีราคะรั่วไม่มีราคะแค่นี้พอละ จิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะนี่ก็พอนะจิตมีมหะคือหลงก็จิตไม่มีโมหะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็จิตหดหูนะฟุ้งมากๆแล้วจะซึมสัง เ, เกตไหมฟุ้งมากๆแล้วจะหดหูมันจะคู่กันเป็นคู่คู่กันนะฟุ้งมากแล้วมันจะไม่ใช่ว่าจิตไม่ฟุ้งนะฟุ้งซ่านแล้จะเวี่ยงกลับมาหดหูเลย แ้่เราดูเป็นคู่คู่หามันคู่เดียวก็พอแล้วไม่ต้องวดเก่งกว่าพุทธเจ้าหรอกท่านสอนไว้อย่างดีแล้วไปทำเอานะอย่าบังคับนะย่างเพี้ยงอยู่ยิ่งฟังไปนานยิ่งเพีง้งกล่ารนมัศการเจ้าค่ะปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะหลวงพ่อตอนเช้าตอนเย็นนะคะคิดว่าบางครั้งก็ขันแย่อะค่ะ เห็นกายกับจิตมันคนละอย่างกันแต่ว่าบางทีจะต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานนะคะถึงจะเห็นถ้าถ้าจิตฟุ้งจะไม่เห็นต้องมีสมาธิในระดับหนึ่งอืมสมาธินั้นต้องเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นนะถึงจะเห็นถ้าสมาธิสงบอยู่เฉยๆไม่เห็นอะไรมีนขี้เกียจถ้าจิตใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาทเนี่ยขันมันจะแยกให้ดูแต่ถ้าสงบนิ่งไปอยู่กับลมหายใจเริงอยู่กับลมเนี้ยขันไม่แยก หรพุโทโธเราก็สงบอยู่กับพุโทโธขัดไม่แยกนะแต่ถ้าใจเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ใจก็ตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นขัดมันแยกไง่าไปฝึ ก, ฝกแล้วฝึกเนกระทั่งมันไม่รวมกันตอนหลวงพ่อหันใหม่ๆนะหลวงพ่อก็ฝึกนะเราเห็นว่าจิตเนี่ยไหลไปรวมกับอารมณ์ตลอดเวลาเลยรวมเป็นก้อนเลยนะอยู่กลางหน้าอกเนี่ยจิตไหลวุ้บไปเกาะไม่ยอมปล่อยเราก็หวัดเสียวถามว่าถ้าตายตอนนี้ไปอาบาัย ง, ง่ายๆเลยนะ จิตชอบไปจับอารมณ์แล้วมันไม่สบายอึดัดจิตนี้ดวงนี้ต้องไม่ดีแน่นอนเลยจิตมันอ <men 's S 1> mm ึด hmm. <Yeah. S 2> ัดต้องฝึกฝึกจนกทั่งมันจับเนี่ยนะใช้เวลาไม่เกิน3มวินาทีพอรู้ทันว่าจับนะไม่เกิน3มวินาทีต้องหลุดเนี่ยพยายามฝึกตัวเองอยู่ด้วยแล้วมันก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจับถ้าเรารู้แค่รู้เท่านั้นรู้อย่างถูกนะถ้ารู้แล้วว่าทําไมจะหลุดทําไงจะหลุดจะไม่หลุดถ้าสักว่ารู้ว่าเห็นรู้ว่าจิตจับอารมณ์นะ ลดทันทีเลยนะไม่ยากอะไรหรอกค่อยฝึกไปมันยากตรงตอนแรกๆฮะฝึกแค่ขันแยกนี่เลยเราก็ตามมาหาบัวบอกว่าแยกขันไม่ได้อย่ามาคุยอวดเราเรื่องเดินปัญญาไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่ะดูกิเลสเรานะโทสะเราแรงชี้โมโหนะงั้นถ้าใจมันโมโหมันหงุดหงิดเลยค่อยรู้ไปรู้เหมือนเห็นคนอื่นหงุดหงิดนะไปดูอย่างนี้เรื่อยๆ ปกติใช้ดูลมหายใจแต่ตอนหลังเนี่ยคือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยจะเห็นตัวเองดูร่างกายตัวเองเร็วขึ้นเยอะเวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นแล้วล่ะแต่ก่อนนั้มันเพ่งเงาคือเวลาดูลมเนี่ยไม่ได้ยินเวลาดูลมอะค่ะแล้วมันพอมันถูกไปสักพักหนึ่งจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไปมองอยู่ข้างบนมาจากข้างบนเวลาเราพาวนานะเรารู้สึก เหมือนจิตอยู่ข้างบนแล้วดูออกมาอันนี้เป็นผลของสมาธนะิกำลังสมาธิแรงไปแต่ว่าอันนั้นดีสำหรับการจะเล่นฌานนะแต่ถ้าจะเดินปัญญา จ, จริงนะจิตกับกายอยู่ด้วยกันนะแต่มันเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันนะไม่แก้หรอกนะดูแต่อย่ารักษาตัวนี้นะถ้ารักษาตัวนี้จะติดสมถทะที่ร้ายแรงมากเลยคนะือติดติดอยู่ที่จิต ติดอารมณ์ยังไม่ตายเท่าติดจิตนะจิตติดจิตได้แก้กันเป็นปีเลยเกิดจากการที่อารมณ์ลงเห็นร่างกายนะอย่าไปอย่าไปสําคัญมั่นหมายไอ้ตัวบนนี้นะอย่าไปจ้องใส่มันเด็ดขาดเลยแค่รู้ว่ามันมีอยู่แต่ห้ามจ้องใส่จําไว้นะถ้าพลาดตัวเนี้ยใช้เวลาปีหนึ่งแก้ตัวนี้แก้ยากขกันบ้าขันมันแยกเป็นแล้วก็ดูขันมันทํางานนะ ดูขันกาทำงานไปเห็นไหมมันไม่ใช่เราเริ่มดู อ, อกแล้วมันไม่มีเรากระทั่งตัวรู้มันก็ไม่ใช่เราดูออกไหม เ, ออเห็นไหมตัวรู้ไม่ให้เป็นเราตลอดเวลาความเป็นเราเนี่ยเกิดเป็นเคลาวเงั้นในความเป็นจริงแล้วความเป็นเราไม่มีนะมันเปียนความสาคัญมั่นหมายของจิตที่ยังไม่ฉลาดเท่านั้นเองเฝึกนะดูของจิตไปเรื่อยสุดท้ายเราก็เห็นว่าตัวเราไม่มี ฝึกอย่างนี้แหละอย่าไปบังคับจิตก็แล้วกันนะของเดิมที่ฝึกมามันชอบบังคับจิตให้มันนิ่งอย่ารักษามันเมื่อ้นมีตัวรู้แล้วอย่ารักษาตัวรู้แค่รู้สึกว่ามีอยู่ไม่จ้องฟุ้งซ่านไหมเอ อ, อยังฟุ้งเก่งอยู่มีอะไรเป็นเเรื่องอยู่ของจิตใช้อะไรใช้กรรมฐานอะไร ใช่ลมอย่าให้เพลินลมนะเร่องติดลมรู้ลหมหายใจก็เร่องติดลมเรยอาการติดลมรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นเอามือรูปถอดแว่นก่อนถอดแว่นตาเอามือนวดหน้าตัวเอง รู้สึกความรู้สึกตัวมันชัดขึ้นนะให้จิตใจนีมันกลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยปลุกมันให้ตื่นตื่นตื่นนะงั้นใจนั้นจะลอยหนี อ, อกไปข้างนอกนะให้ใจมันกลับมาอยู่ที่ตัวเองคิดถึงร่างกายไปสัมผัสร่างกายไปถ้าเวลาเราเพลินไปเรวหายใจเพลินแล้วใจมันว่างสบายออกไปนะให้กลับมาที่ร่างกายเยสัมผัสมันเข้าไปนวดมันเข้าไปเรารู้สึกเอาที่ร่างกายอย่าให้ใจล่องลอยไป ไปยักหน้าเรารู้สึกเนี่ยใจค่อยๆกลับมาแล้วรู้สึ ก, ออ ก, สกไหมงั้นใจมันจะเออออกไปข้างนอกนะอย่าให้มันเอ่อไปเรียนกรรมฐานเราเออไม่ได้นะ <c oughs> หายใจก็หายใจอย่างรู้สึกตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ยืนเดินนั่งนอนด้วยความรู้สึกตัวนะไม่ให้มันล่องลอยรู้สึกรู้สึกไปพ่อครับก็ ที่น้องพ่ออยากก็ให้รู้ว่าอยากสิ <c oughs> อืมเอ้าไม่เชื่ออาจารย์มันก็แย่แล้ววะแทบแบจะทบจะทิ้งการปฏิบัติเลยครับเออก็มันทิ้งไม่ได้ครับคื อ, อรู้สึกที่จะต้องทำไปเรื่อยๆครับแต่ก็จะทำไปครับเออเปนต้องอย่างนั้นแหละ ถ้าจิตมันเคยชินที่จะปฏิบัตินะ่ะมันเลิกไม่ได้มันจะทะเลทลัยมันก็ทะเลทลัยได้ชั่วคราวนะสุดท้ายมันก็ต้องกลับมาปฏิบัติเพราะมันเคยชินสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ใจเรากระตักกอดไม่เหมือนกั น, เ ห, นนะเห็นไหมว่ากายกับใจมันแยกกันได้ก็เห็นเป็นบางครั้ง เ, เดี๋ยต้องบอกเขบอกว่าเห็นเป็นบางครั้งนะเห็นไหมว่าความรู้สึกกับจิตใจมันโคลนอันกันโอพอเห็นอยู่อย่างนี้ เออไม่เห็นบ่อยก็ให้เห็นบ่อยสิไม่มีใครห้ามนะที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้ไปฝึกต่อแต่เดิมใช้อะไรก็ได้นะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองไปถ้าถามว่าใช้อะไรเป็นพิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่าบอกว่าเอาซีดีเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้นะ พาะซดีไม่อยู่ในสติปัฏฐานเราใช้จิตเป็นเครื่องอยู่เ<อ>ช่นฟังซ d ดีนะจิตงงรูวงางงนี้เราใช้จิตเป็นเครื่องอยู่ฟังแล้วมีความสุขรู้วมีความสุขเราใช้จิตใจเราเป็นเครื่องอยู่ แ, แล้วดีๆนะไม่ฟังเหรอ <c oughs> ฟังเฉพาะตอนแย่บางคนเขาฟังทั้งวันทั้งคืนเลยนะแบบเปิดทิ้งไว้กันนะ้น ถามเปิดทำไมบอกให้เทวดาฟังนะ <c oughs> มันก็ได้สมถะนะใจมันก็สงบนงได้ฟังธรรมะที่ร่มเย็นอย่างเงี้ยนะใจมันสบายใจมีความสุขว่าใจมีความสุขใจก็สงบได้สมาธิขึ้นมาอืมนะ <c oughs> มันดับเขาเอง ใช่เขาบอกว่าเวลาเห็นกุศลอกุศลเกิดนะไม่ไปให้ค่ามันมันก็ดับไปเองโอ้ยอย่างนั้นไม่ดีก <c oughs> ิเลสเกิดแล้วสนองกิเลสว่ามันจะไปอบายแนละ้ไม่ดีนะเรายังปิดอับบายไม่ได้นะออต้องระวังนะเวลาพลาดลงอบายแล้วเนี่ยกว่าจะกลับขึ้นมาถึงจุดที่เราอยู่ในวันเนี้ยากมากเลย อย่าไปเกิดเป็นหมานะสมมุตินะเป็นหมาแล้วก็โซนเที่ยวไปกัดสัตวสน้นสัตว์นี้แล้วเป็นแมวนะทําบาปไปเรื่อยๆไม่รู้ผิดชอบเวดีแล้วตกนรกไปอะไรไปขึ้นจากนรกมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาตกกลับไปอีกแล้วโอกาสที่จะหลุดขึ้นมาจนถึงอย่างที่พวกเราเป็นทุกวันเนี้ไม่ใช่ง่ายนะนั้นเรามาถึงจุดที่มาในะยากละวพระเจ้าบอกก็ได้เป็นมนุษย์นะยากนะ เราจะมาถึงจุดที่เรามาในทุกวันนี้ยากมากแล้วราะนั้นอย่าทิ้งมันไปแล้วก็บวกลงต่ำไปพยายามรักษาสีลหฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ร่องลอยไปแล้วก็เห็นกายเห็นใจเขาทำงานดูกายดูใจทำงานไปอย่างนั้นเราจะเรียกว่าเราได้อาศัยร่างกายจิตใจอันนี้ที่ได้มาด้วยความยากลำบากเนียมาต่อทาความดีให้ยิ่งขึ้นไปหากาไรม้ขาดทุนนะ บางคนรักษาศีลอย่างดีเลยเกินมาหล่อเลยพรหล่อนะไปหลอกสาวๆเป็นชู้คนนั้นเปชู้คนนี้ไปตกนรกนะขึ้นจากนรกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานรูปหลอก็มีนะพระนนท์รู้จักไหมพระนนทถ้าไปถามคนอินเดียรู้จักพระนนท์ไหมไม่รู้จักต้องชื่อพระอนนต์คนไทยมาตัดมือากรออกเป็นพระอนนท์พระนนท์เนี่ยเคยทาบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอให้รูปงาม เกิดมารอทำบุญอย่างดีเลยรลอพอรอเขาก<ช>็เฟรนชูเ<ช>ขาตกนรกอยู่นานท่านบอกนะขึ้นจากนรกมามาเป็นเป็นบัวมาเป็นสัตว์ก็ เ, เป็นบัวรูปลออีกนะก็ เ, เป็นวัวรูปลอเนี่ยสาวสาวัววัวตัวเมียมัมนชอบเดินเดตามเจ้าของมันลำคาญมันจับไปตอนเป็นวัวถูกตอนเนี่ยตั้งหลายร้อยชาติอะไรว่างั้นนะแล้วมาขึ้นมาเป็นมนุษย์นะ ก็ถูกต่ออีกเป็นขันธ์ที่เป็นกระเทยเป็นอะไรเงั้ยนะกว่าจะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อีกใช้เวลามาหาศาลเลยดังนะั้นพวกเราได้เป็นมนุษย์แล้วอย่าเสียโอกาส น, นะอย่าพลาดลงไปอีกมันใช้เวลานา น, านเกินไปอันตรายดังั้นมีศีลมีธรรมไว้ให้ก็ปลอดภัยอย่าผิดศีล น, นะรับได้ไหมต้องเมาเนาะอย่า ก, กินเหล้าเนาะ <c oughs> เออต้องไม่กินเล้าวอ่ะโอ้โห uh ่ม oh ี่ผมเป็นอาชีพที่จะิในทางโลกในทางรสองัออืมถ้ามันเป็นมิจฉาอาชีวะจริงนะก็ค่อยๆหาทางเปลี่ยนอาชีพไปนะถ้าเปลี่ยนได้นะ มันแค่เลี้ยงชีวิตเราในชีวิตเดียวนี้แต่อนาคตเราลำบากนะวิชาชีวามีไม่มากหรอกค้ามนุษย์คนะ้าอาวุธค้ายาพิษค้าอะไรพวก น, นี้คนะ้าสัตว์เพื่อให้เขาฆ่านะนะถ้าถ้าเปลี่ยนไปค่อยๆเปลี่ยนไปได้ก็จะดีสี่ห้าข้อเนี่ยใครทำผิดข้อห้านะฉลาดน้อยที่สุดนะเพราะสีนข้อที่ห้านี่เบียดเบีย น, ยนตัวเองนะ สิ่ข้อหนึ่งสสาสี่เนี่ยเบียดเบียนคนอื่นข้อหนึ่งเบียดเบียนอะไรเบียดเบียนของที่เขารักที่สุดเลยคือเบียดเบียนชีวิตร่างกายเขาทุกคนรักชีวิตมากที่สุดใช่ไหมรักมากกว่าลูกเมียรักมากกว่าสมบัติใช่ไหมสิ่งข้อที่สองมันเบียดเบียนทรัพย์สมบัติเขาศีลข้อที่สามัมนเบียดเบียนคนที่เขารักเบียดเบียนโดยการแย่งคนที่เขารักอะไรเงี้ยทำร้ายคนที่เขารัก ศีลข้อสี่้ำไปด่าเข้าไปทําอะไรเนี่ยเบียดเบียนชื่อเสียงเกียรติยศเขานะงั้นถ้าเรารักษาศีลเราไม่เบียดเบียนคนอื่นนะแล้วเราไม่เบียดเบียนสติของตัวเองการรักษาศีลข้อ5้าไว้ถ้าขาดสติตัวเดียวนะโอกาสจะเบียดเบียนคนอื่นก็ง่ายเนะีสิ่งที่คนเรารักมีอะไรบ้างเรารักชีวิตเราเองรู้สึกไหมร่างกายชีวิตเนี่ยนะไม่อยากให้คนอื่นมาทําร้ายนะนี่ยคือศีลข้อหนึ่งละที่ท่านสอนอย่ า, ยาไปทํา นอกจากร่างกายแล้วเรารักอะไรอีกเรารักทรัพสมบัติระหว่างทรัพสมบัตกบิกับลูกเมียรักอะไรมากกว่ากันยังหนุ่มยังสาวก็ว่ารักเมียนะพอแก่แล้วก็อีแก่เนี่ยตายยากนะอยากอยากได้สมบัติมากกว่าถ้าเราจัดศีลข้อสองเนะเรื่องทรัพย์สินมันชอบได้นานอย่างตอนหนุ่มสาวอะไรยังเจ้าชู้อยู่ยังชอบคนสวยคนงาม แก่มากๆขึ้นนะมีตังไวดีกว่าเพราะว่าไปยุ่งกับสาวไม่ไหวแล้วระหว่างคนที่เรารักกับชื่อเสียงเนี่ยบางคนรรักชื่อเสียงแต่ว่ามีไม่มากอ่ะบางทีมก็รักคนที่ตัวเองรักรักลูกรักเมียรักอะไรเงี้ยรักสามีบางคนรักลูกรักเมียรักสามียอมเสียชื่อเสียงก็มีอย่างพวกคอร์รัปชัน รักลูกรักเมียหาเงินเอาไว้โกงกเอาไว้เสียชื่อเสียงก็ไม่เป็นไรขอให้รวยซะยังเ mm hmm. งินศีลท่านกำหนดไว้ดีนะท่านมี p พ i o r i t y จากสิ่งที่รักที่สุดเลยสิ่งที่รักมากคือชีวิตเองทรัพสมบัติลูกเมียสามีชื่อเสียงเกียรติยศอย่างน้เราก็รักอย่างนั้น คนอื่นเขาก็รักอย่างนั้นให้เราอย่าไปทำลายเขาพยายามมีศีลเอาไว้ถ้ามีศีลนะก็ยังได้เป็นมนุษย์อีกบบยังไม่ต้องรีบเนอะเออใจเย็นๆมันยังกลับกรอกอยู่อ <c oughs> เออ ออืออยังดีพูดได้ชัดนะียจะละเพศเนี่ยนะละเพศชายไปแย่เ yeah. ลยละละเพศขออาับบัตรเป็นเพศวันประชิตเนะียผู้หญิงนะผู้หญิงอ่ะไม่ต้องบวชก็ได้นะถ้าบวชก็บวชชีไม่ต้องไปบวชมากกว่านั้นหรอกมันไม่มีแล้วเดี๋ยนี่บวชกันเยอะนะผู้หญิงไปบวดใส่เหลืองเป็นบวชไม่ได้ ไปเอาเพศของพี่สุนีมาใช้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขพอคุณสมบัติไม่ครบกรรมวิธีการบวชไม่ครบนั้นสิ่งนั้นที่เรียกว่ารักกระเพศครได้ยินคำว่ารักกเพศไรักเพศไปเอาเพศของผู้อื่นซึ่งเราไม่มีมาใช้อย่างเป็นโยมอย่างเงี้ยนึกนึกอยู่เอาผ้าเหลืองมาหม่มแล้วบอกสิทธิเสรีภาพฉันจะแต่งตัวอย่างนี้ละ ทำไม่ได้มันไม่เข้าเงื่อนไขของการบวชเป็นพระจะเป็นภิกษุณีก็ต้องเข้าเงื่อนไขของการบวชเป็นภิกษุณีนะไม่ใช่นึกๆจะห่มเอาเองไม่เป็นรักเพศเนี่ยบาปมากบาปมากนะหลวงพไม่เคยเห็นใครที่รักเพศแล้วภาวนาได้ไม่เคยเห็นเลยเพราะเราเป็นโยมนี่นหะ ถสี่ห้านี่แหละเราบรรลุมรรคผลได้เราบรรลุมรรคผลได้โสดาสักกทาคามไม่เกิดนวิสัยแต่ถ้าเราอยู่อยู่ก็ขนหัวหน้าเอาผ้าเหลืองมาห่มอุปชาไม่บวชให้กูบวชเองกูเองก็ได้เราะเราใจศรัทธาพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกหลักเพศนะอ <c oughs> ่านอนาม่ขึ้นอนามิขึ้นมันบาปต้องไม่มองละเมิด ธรรมวินัยแล้วเราเป็นชาวพุทธนะทำเมวินัยคือศาสดาของพวกเรานั้นเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราจะไม่เปลี่ยนคาสอนของท่านเราจะไม่ตัดคำสอนของท่านออกเราจะไม่เติม อ, อะไรลงไปในคำสอนของท่านให้เพี้ยนออกไปทั้งธรรมะทั้งวินัยรักษา ต้องรักษาจำเป็นนะจำเป็นมากเลยอออออลองนั่งซิผิดแล้วเออมันเพ่งอ่ะอเนะงี่ยฝึกใหม่หายใจออกรู้สึกตัวให้ใใจเข้ารู้สึกตัวเน้นที่รู้สึกตัวนะไม่เน้นที่สงบนะเปลี่ยนแทนที่จะเน้นสงบนะเปลี่ยนมาเป็นเน้นรู้สึกตัวแทน หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวคืออย่างนี้นะจะได้สมาธิชนิดที่ดีสมาธิวิจฉาไป เ, เหรอเอานะทนได้นะสมาธิที่จะเป็นมิจฉาสมาธินี่มีมากเกินพอสมาธิที่จะนิ่งสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีมากเกินพอนะแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นอะตอนนี้เริ่มใช้ได้แล้ แต่มันยังเคยชินที่จะไปเพ่งให้นิ่งเพราะฉะนั้นถามว่าสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้เนี่ยมีไหมมีแต่มีแล้วยังเคยชินที่จะไปจับให้มันนิ่งอยู่อย่าไปบังคับให้นิ่งนะอย่าให้ตัวรู้มันคงที่นิ่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะให้ตัวรู้เองก็เกิดดับได้นี่อ๋อแล้วใช้ได้แล้วปกติจะเอาตัวรู้ให้คงที่เนาะ <laughs> แน่นอน เราจะไปทำของซึ่งเป็นไปไม่ได้คือทำของไม่เที่ยงให้เที่ยงทำของไม่สุกให้สุขทำของบังคับไม่ได้จะบังคับมันให้ได้ก็เหนื่อยรู้อย่างที่เป็นจะไปบังคับมันอพอสมควรแนละ้วลงพ่ ข, ขออนุโมทนานะถุกๆท่านารับพรนะ ยถาวะริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวามีวาอิโตทินังเปตานังอุปปกปติอิชิตังปทิตังทุมหังกิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังตปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยทถาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัดวันตรายโยสุขีที่าโยโกภวะ อาภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารธรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลัง